คุณยายสิบห้าบาทมีเรื่องประทับใจที่ผูเวียงตอนนั้นหลวงตาจะไปเทศที่ชุมแพผมได้เด็กๆที่ชุมแพอาสามาช่วยกันแจกต้นผ้ป่าก่อนแจกผมก็ต้องอธิบายวิธีการและย้ำเรื่องกฎเกณฑ์กับเด็กๆว่าเวลาแจกต้นผ้าป่าเราจะแจกอย่างเดียวแล้วให้ชาวบ้านนาไปถวายกับหลวงตาเอง จะส่งตัวแทนหรือส่งใครไปก็ได้หรือจะไปปักรวมกับจุดนี้ก็ได้เพราะผมมาพิจารณาดูแล้วเมื่อก่อนมีการรับเงินกันอยู่เรื่อยเหตุที่รับเงินเพราะคนเขาฝากมาทำบุญคนละ20บาทบ้างร้อยบ้างคนแจกเขาก็ช่วยรับกันมาตลอดต่อมาผมเลยบอกว่าห้ามรับเงินโดยเด็ดขาดเพราะถ้าเรารับเงินแบบนี้ต่อไปมันจะกลายเป็นผลประโยชน์แอบแฝงของบางคนมันก็จะเป็นวิธีหากินของคนที่คิดไม่ชอบ ฉะนั้นต้องไม่รับคืนต้นพะป่าเงินทำบุญก็ห้ามรับมาเด็ดขาดครั้งนั้นหลวงตาท่านไปเทศที่อาเภอชุมแพรจังหวัดขอนแกน่นเป็นที่แรกในงานรับพะป่าช่วยชาติผมจําวันเดือนปีไม่ได้แล้วคนชุมแพรมาช่วยกันประมาณ 6-7 ถึงคนแยกกันไปแจกต้นพะพป่าต่างคนต่างไปแจกมีอยู่กลุ่มหนึ่งเข้าไปแจกในหมู่บ้านหนึ่งที่อาเภอภูเวียง มีเด็กขายเสื้อผ้าอยู่ในชุมแพคนหนึ่งไปช่วยแจกต้นพะป่าที่นี่ด้วยปรากฏว่าพอกลับมาเขาก็น่าจอยรีบรายงานด้วยความกลัวว่าผมจะเอ็ดเอาอเจคโฮทำยังไงเดียผมไปรับเงินเข้ามา15บห้าบาทผมก็ถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงทาไมไปรับเงินเข้ามาก็สั่งห้ามไว้ตั้งแต่แรกแล้วเด็กก็เล่าว่าพวกผมไปแจกต้นพะป่าที่ภูเวียงและตอนนั้นก็ขับรถเลยบ้านนั้นมาแล้ว แต่เขาให้คนขี่มอเตอร์ไซค์มาตามมอเตอร์ไซค์มาบอกว่ามีคนอยากคุยด้วยขอให้พวกเราช่วยกลับรถไปหาหน่อยก็กลับรถไปปรากฏว่ามียายคนหนึ่งแกไปนำมาพฤึกแกกระเถิเบกระเถิบตัวออกมาจากในบ้านมานั่งรอรถพวกผมวนกลับมาพอเห็นพวกผมลงไปเท่านั้นแหละแกกําลังคุกข่าอยู่แกบอกว่าโอ้อยยายอยากจะทําบุญกับหลวงตา ม, มาหาบัวและแกก็ร้องไห้ทีเนี้ยทั้งเนื้อทั้งตัวแกมีเงินอยู่15บาทพวกผมก็สงสาร แกก็พิการไม่รู้จะให้แกไปทำที่ไหนก็เลยรับเงินของแกมาเนี่ยแหละครับผมจึงบอกเด็กถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรสมเหตุสมผลแล้วที่เจคโคไม่ให้ไปรับเงินทำบุญมาหมายถึงรับทั่วไปถ้าหากรับแล้วเป็นประโยชน์อย่างเนี้ยก็ควรรับให้เขาเราต้องคิดหนึ่งเขาพิการสอง เขาอุตส่าห์มีจิตใจที่อยากจะช่วยแผ่นดินของตัวเองผมก็บอกเด็กๆว่ากรณีนี้สมควรแล้วคืนนั้นผมนอนคิดพิจารณาทั้งคืนเลย ว, ว่าเมื่อพบกับประสบการณ์อย่างนี้เราควรทำให้เกิดเป็นบุญขึ้นมาให้เห็นกันทุกคนว่าคนที่เขามีศรัทธาสูงสุดนี่เขาควรได้สิ่งตอบแทนจากการทำบุญด้วยใจจริงทุกคนน่าจะได้เห็นผลของบุญปรากฏทันตาในวันรุ่งขึ้น ผมจึงบอกกับคณะว่าหลังจากเสร็จโครงการช่วยชาติที่ชุมแพแล้วผมจะพาทุกคนกลับไปที่บ้านคุณยายคนนี้เพื่อไปเยี่ยมก็ขนาดเขาพิการเขายังอยากจะช่วยชาติผมต้องการให้ทุกคนไปเห็นเพื่อเป็นกำลังใจด้วยเพื่อให้มีสติมีปัญญาด้วยเพราะเงิน15บาทในกรณีเนี้ยมันมีค่ามหาศาลกว่าเงินเป็นล้านล้านพอเสร็จงาน ผมก็นิมนต์หลวงปู่จิตไปพร้อมกับคณะและเด็กๆด้วยคืนนั้นหนาวมากเราไปกันทั้งหมดสคันรถโดยก่อนไปผมขอเครื่องสังฆทานที่ชาวบ้านเอาไปถวายหลวงตาที่วันงานใส่รถมาทั้งหมดด้วยแล้วจึงวิ่งกลับมาขอข้าวสารอาหารแห้งจากวัดป่าบ้านตาดอีกหนึ่งคันรถเราจะเอาของเหล่านี้ไปให้ยายคนนี้ที่บ้านเพื่อตอบแทนแรงศรัทธาของเขาที่มีต่อแผ่นดินเกิดของตัวเองในโครงการช่วยชาติพอไปถึงปั๊บ รถเขากําลังผิงไฟอยู่เป็นยังไงยายสบายดีไหมแกก็บอกเออสบายดีแล้วผมถามเป็นยังไงบ้างทําบุญกับหลวงตาภูมิใจไหมดีใจไหมเห็นไหมได้พับป่ารวมกันเป็นล้านเลยนะยายแล้วผมก็หันมาขอหลวงปู่ชิดว่าเทสให้เขาฟังหน่อยสิปู่หลวงปู่บอกเอา้าอย่าโหดเทสไปเลยผมเทสไม่เป็นก็ได้แต่พูดคุยกับแก พอจะจำความได้อย่างนี้ผมถามยายเข้าไปว่ายายมีความคิดยังไงอะถึงได้เกิดศรัทธากับหลวงตาขนาด ร, ร้องห่มร้องไห้แล้วก็ทําบุญกับท่านยายได้สตางค์นี้มายัางไงแกก็บอกลูกหลานเราให้ก็เก็บไว้แต่ยายเป็นคนบ้านนอกไม่รู้อะไรเท่าไหร่พอได้ฟังวิทยุก็อยากทําบุญกับหลวงตาได้เคยฟังเทศเพื่อนได้อ่านหนังสือเพื่อนมานิดหน่อยก็เลยอยากทําบุญเพราะเห็นว่าหลวงตาออกมาช่วยชาติ จึงอยากทำบุญยายอยากได้บุญกับหลวงตาผมก็บอกยายอย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลของยายแล้วรู้ไหมั้บ15าบาทที่ยายทำบุญกับหลวงตาด้วยแรงศรัทธาอันบริสุทธิ์มันเป็นมหาบุญมหากุศลหาค่าหาประมาณไม่ได้สำหรับตัวยายเองแล้วที่พวกเราพากันมาทั้งคณะวันนี้ก็เพื่อจะให้ยายได้เห็นผลแห่งบุญที่ยายทาแล้วในวันนั้นผมก็บอกเด็กๆไปยกข้าวของลงมา ยายก็ร้องไห้แกว่าที่ทําไปก็ไม่ได้หวังอะไรหวังเพียงบุญที่ได้ร่วมทํากับหลวงตาเท่านั้นผมบอกนี่แหละบุญกุศลที่เกิดจากเจตนาอันบริสุทธิ์ไม่ต้องรอถึงพบชาติหน้าเวลาเนี้ยผมขนของมาเต็มรถของมาจากวัดหลวงตาผมเอามาให้ยายทั้งหมดแต่แม้จะเอาของพวกนี้มาให้ยายมากมายก็จริงแต่บุญกุศลของยายที่ทําไว้กับหลวงตาก็ยังอยู่เต็มๆนะบุญของยายเนี่ยมหาศาลเลยพอเด็กขนข้าวของมาให้ ยายแกก็ทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะด้วยความดีใจส่วนพวกเราก็ทั้งปลื้มใจทั้งหนาวสัน่นก็เลยคุยกันได้ไม่นานเดี๋ยวพวกผมขอลาคุณยายกลับก่อนต่อไปคุณยายก็ไหว้พระสวดมนต์ภาวนานะอาบุญกุศลกับหลวงตาท่านเงินของคุณยายถึงมือท่านแล้วแล้วพวกผมก็กลับ นี่คือเรื่องหนึ่งที่ผมประทับใจมากก็คิดดูขนาดยายเขาเป็นอมตะเงินทองก็ไม่ได้เหลือเฟือและคนแขนขาดีๆละ่ะผมจึงขอยกตัวอย่างให้ดูชัดๆอย่างนี้ก็ด้วยคุณค่าของการเสียสละอย่างเต็มหัวใจของยายเช่นนี้ต่างหากผมจึงต้องพาคณะทั้งหมดกลับไปให้เห็นด้วยตาผมบอกกับพวกเด็กๆในคณะจากต้นผป่าว่าทุกคนให้ดูยายเป็นตัวอย่างบุญใดที่เกิดจากศรัทธาแท้ๆเกิดจากหัวใจบริสุทธิ์ของเรา จะหนึ่งบาทสิบาทมันก็กลายเป็นมหาบุญกุศลมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นแสนเป็นล้านที่ทําไปโดยไม่รู้สึกศรัทธาฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินเหมือนคนอื่นเขาแล้วเราไม่กล้าไปทําบุญกับหลวงตาอย่าไปคิดแบบนั้นที่เรามาคืนเนี้ก็เพื่อให้ได้ปัญญาจากคุณยายเพื่อเอามาเป็นคติกับพวกเราเองมันก็อศัศจรรย์อยู่เพราะตัวผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะเท่าไหร่ผมปฏิบัติก็ก็กแก๊กๆไปตามประสา แต่แปลกที่ว่าทุกครั้งที่ผมพบเหตุการ์ติดขัดหรือแม้แต่ยามคับขันจนมุมปัญญาก็จะเกิดก็ได้นำมาใช้มันเป็นมาเช่นนี้ตลอดมันจะเกิดขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการผ่านพ้นข้อติดขัดเวลาเราไปเจออุปสรรคใหญ่ก็จะได้พบกับคนที่เขาเป็นสหธรรมิกกับเรายืนมือเข้ามาช่วยเหลือมาในรูปแบบต่างๆเราจะพบกรณีอย่างนี้เสมอ